เรื่องที่17อภิลักิตรการว่ากันมาแต่โบราณว่าสัตว์พานะต่างๆมันสามารถที่จะลากเข็นสัมภาระซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับตัวมันเองได้รวดเดียวสี่ชั่วเสียงร้องของมันแล้วก็ต้องพักเอาแรงเสียทีหนึ่งระยะทางไกลชั่วหนึ่งเสียงร้องของสัตว์นั้นเรียกว่า ส่วนทางไกลซึ่งต้องพักครั้งหนึ่งนั้นเรียกว่าโยดซึ่งแปลว่าเทียบหรือประกอบเข้าหมายถึงว่าเอาสัตว์เทียมเข้ากับยานพาหนะแล้วเดินทางต่อไปผู้ที่ใช้สัตว์พาหนะชนิดใดต้องจํามุดและโยดของสัตว์ชนิดนั้นถ้าใช้วัวก็ต้องรู้ขาวุดคือชั่วหนึ่งวัวร้อง ถ้าใช้ม้าก็ต้องรู้อัาวุธคือชั่วหนึ่งมาร้องถ้าใช้ช้างก็ต้องรู้หัตถิวุตคือหนึ่งชั่วเสียงช้างร้องเพื่อจะได้จดําได้ว่าชั่วสี่เสียงร้องของมันเป็นหนึ่งยอดปลดมันจากสัมภระให้ยาให้น้ํามีกําลังแล้วจึงเดินทางต่อไปที่พักผู้เดินทางจึงมีอยู่เป็นระยะระยะ และเลือกใช้แหล่งที่มียญ้าน้ำและอาหารสมบูรณ์แม้ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญมากแล้วเราเดินทางด้วยเครื่องบินรถไฟรถยนต์และเรือยานพาหนะเหล่านี้ก็ต้องการเวลาพักเหมือนกันเพื่อได้ให้เครื่องยนต์พักชั่วระยะหนึ่งเติมน้ำมันและสิ่งจำเป็นแล้วจึงเดินทางต่อไปรวมความว่า สัสว์ปานะและยวดยานทุกชนิดแม้จะมีกําลังมากสักเท่าไหร่ก็ต้องการเวลาพักเป็นระยะระยะเหมือนกันหมดและที่พักก็ต้องกําหนดไว้ให้เหมาะกับความต้องการคือมีสิ่งแวดล้อมดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ใจคนเราก็เหมือนกันการที่เราใช้ใจคิดนึกตรึกตรองอะไรๆมาเป็นเวลานานๆ ก็จำเป็นต้องให้ได้พักบ้างแต่การพักใจนั้นจะกำหนดด้วยสถานที่เหมือนพักบัวพักม้าไม่ได้เพราะใจคนไม่แน่ว่าจะไปสู่จุดนั้นทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นที่พักใจคือการเวลาเพราะทุกคนต้องผ่านการเวลาทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะอยู่ในถ้ำในเขาในบ้านในเมืองในกระท่อมในรั้วในวังที่จะไม่ผ่านการเวลานั้นไม่มีแต่การเวลาในชั่วงหนึ่งปีนั้นท่านก็เลือกเอาจุดที่เห็นว่ามีเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นที่พักใจคือถ้าใจไปพักตรงจุดนั้นแล้วใจมีทางที่จะได้อาหาร และได้รับการซ่อมแซมส่วนศึกหอดีที่สุดท่านจึงกำหนดไว้การเวลาที่ท่านกำหนดไว้ให้เป็นที่พักใจนี้เรียกว่าอภิีรักขิตการหรืออภิีรักขิตาสมัยซึ่งแปลว่าเวลาที่กำหนดไว้อภิีรักขิตการย่อยๆท่านกำหนดไว้เจวันครั้งเราเรียกว่าวันพระ อภิลักษ์ขการใหญ่ท่านกําหนดตามเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นในวันนั้นและมีอยู่เป็นระยะระยะเช่น 1. วันมาคบบูชาคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2. วิสาขา บ, บูชาประมาณเดือนพฤษภาคม 3. อาสาลห บ, บูชาคือประมาณเดือนกรกฎาคมในวันทั้ง3ามนี้ มีการบูชาใหญ่ตามวัดต่างๆแต่ละวันมีเหตุการณ์เบื้องหลังล้วนแต่ลึกซึ้งควรแก่การศึกษาหรือแม้แต่นึกคิดในเรื่องเหล่านั้นใจก็จะเย็นสบายคลายทุกข์คลายร้อนไปได้มากถ้าหากเป็นที่พักของผู้เดินทางก็คงจะเป็นที่พักซึ่งมีอาหารและสิ่งแวดล้อมที่จะให้ได้รับการพักผ่อนได้มาก ผมใครจะเสนอว่าการที่เราเข้าไปสมทบกระทาพิธีในวันเทศกาลดังกล่าวแล้วเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสงบใจได้มากแต่ทั้งนี้โปรดอย่าลืมว่าเราต้องอุทิศใจเพื่อการนั้นจริงๆในชั่วระยะนั้นเราควรเริ่มอธิษฐานใจตั้งแต่ที่จะใช้วันนั้นเพื่อการพักใจตามวิธีของศาสนา งดการด่าการบน่นการพูดคุยในทางไม่สงบแล้วเอาใจเข้าไปปลูกพันไว้กับเรื่องราวของวันนั้นเช่นในวันมาคบูชาก็ศึกษาไตรตรองในโอวาทปาติโมกในวันวิสาขาบูชาก็ศึกษาไตรตรองในอริยสัจในวันอาสารห บ, บูชาก็ศึกษาไตรตรองในธรรมจัก อย่างนี้เป็นตน้นหัวค่ำจะไปเวียนเทียนก็ให้เลือกไปวัดที่สงบคือไม่ใช่ไปทำที่ไหนก็ได้ผลเหมือนกันหมายความว่าตั้งใจทำจริงให้เต็มวันเต็มพิธีและเต็มใจเราจะได้ความสงบใจจริงๆ